ยุคนี้นี่จะว่าไปก็ยังอยู่ในพ่วงเวลาที่เราเรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารอยู่และดูเหมือนกับว่าท่วมเราไปหมดเลยนะคะไม่รู้จะรับสารอย่างไรแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นข่าวอย่างบ้านเราเนี่ยนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเราด้วยล่ะก็จะเป็นข่าวที่ล้วนแล้วแต่เครียดทําให้เรามีความทุกข์นะคะแล้วเราจะไม่ฟังก็ไม่ได้เหมือนกับเดี๋ยวมันตกข่าวการทํางานทําการอ จะไม่สะดวกไม่ไม่คล่องตัวรู้ไม่เท่ารู้ไม่ทันชาวพุทธควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ค่ะอ๋อก็หลักง่ายง่ายจริงๆเนี่ยผู้เจ้าท่านจัดไว้แล้วก็คือหลักของอนิจจงรับมาแล้วเนี่ยวางความเป็นอนิจจงไว้ก่อนเนีเหมือนกับที่ผู้เจ้าบอกกับภารทธวาชชะนีที่ภารัทธวัชชะถามเรื่องอการรักษาไว้ซึ่งความจริง<ช>เพราะสิ่งที่รับรู้รับเห็นมาเนี่ย นะไม่รู้ว่ามันจริงอย่างที่รู้ที่เห็นหรือเปล่านะพูะเจ้าก็บอกว่าวิธีง่ายๆก็คือคิดว่านะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะคือมันไม่แนนะ่วางความเป็นอนิจจังไว้และท่านตรัสไว้ในอีกที่หนึ่งว่า <c oughs> การที่เราได้ยินมานะได้ฟังมาได้รู้สึกมาได้เห็นมาก็ตามนะนะ เป็นสิ่งที่ควรส่งออกไปทั้งหมดหรือเปล่าเพราะมีคนถามนะมีคนพูดเหมือนกับว่าใคร<ห>มาเล่าให้เราฟังปุ๊บเราควรจะถ่ายทอดทั้งหมดหรือไม่เพราะมีคนพูดว่าถ้าเราถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินมาน ะ, ะได้รับรู้มาได้สัมผัสมาทั้งหมดเนี่ยน ะ, ะออกไปเนี่ยตามนั้นเนี่ยถือว่าไม่มีโทษพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ถ้ารับรู้รับเห็นมาแล้วเนี่ย การจะส่งออกไปเนี่ยท่านให้ดูว่ากุศลเจริญหรืออกุศลเจริญถ้ามันส่งออกไปแล้วเนี่ยอกุศลเจริญกุศลเสื่อมท่านบอกอย่าส่งออกเก็บเอาไว้ะแต่ถ้าส่งออกไปแล้วกุศลเจริญอกุศลเสื่อมให้ส่งออกได้อืถึงแม้ว่า <c oughs> เรื่องนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่ามันจริงออือแต่ส่งออกไปแล้วมันไม่ดีเนี่ย ก, ก็ไม่ควรส่งละคะก็ไม่ควรก็คือเอาผลของการส่ง นะ<ะ>เอาผลของการส่งเป็ น, เ, ปนเกณฑ์วัดนี่เป็นหลักเกณฑ์กว้างๆนะว่าถ้าส่งออกไปแล้วเนี่ยโอ้มันเป็นความเจริญของอกุศล น, นะมันจะเกิดความวุ่นวายเกิด อ, อากุศลขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกอย่าไปส่งนะอันนี้เป็นหลักการกว้างๆที่ให้ไว้กับภาษาริบุตรนะแล้วก็พูดในหลา ย, ลา ย, ลายๆเรื่องความเพียรก็ตามความเพียรเนี่ยเรามองนะมันเป็นเรื่องดีกับทั้งหมดนะแต่พรพุทธเจ้าบอกถ้าเพียรแล้วนะ อกุศลมันจะเลนกุศลเสริมหยุดความเพียนนั่นน่ะเนี่ยอย่าไปทาต่อถ้าขยันแล้วมันแย่เนี่ยถ้าขยันแล้วมันแย่ถ้าขยันให้หยุดใช่ไหมเออโอ้เงี้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้เนี่ยโดยเฉพาะสถานีครอบครัวข่าวของเราเลยนะคะก็เต็มไปด้วยคนที่มีหน้าที่ในการที่จะเป็นกระบอกเสียงใช่ไหว่าเป็นอาชีพหนังหน้าไฟล่ะก็ถ่ายทอดไปบางทีเนี่ยเราก็ถ่ายทอดไปตามหน้าที่นะคะแต่ยุคเนี้เราจะมีทั้งวิทยุชุมชนมีทั้ง พวกอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเราสามารถเป็นคนที่จะส่งข่าวสารเองได้เลยนะคะความคิดเห็นอะไรต่างๆของเราหรือบางทีมีสถานีโทรทัศน์ที่กำลังบอกเป็นปัญหาอยู่ขณะเนี้เนี่ยคือจะเป็นสถานีที่ที่มาที่ฉันก็อยากจะใช้คำพูดที่ดีเพราะว่าไม่ได้มากล่าวหาถ้าจะเป็นลักษณะของสถานีพิเศษนะคะในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เหมือนกับชี้ผิดแล้วก็ชวนคนให้มาช่วยกันตัดสินนะคะที่ มันอาจจะเป็นกรณีอนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของออสังคมทั่วๆไปที่ได้รับการออยอมรับกันเนี่ยทีนี้อย่างนี้เราถือว่าเป็นการส่งข่าวสารที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นอกุศลไหมคะท่านอ๋อก็อกุศลหรือไม่อกุศลเนี่ยเราก็ใช้เครื่องวัดก็คือเกิดการเบียดเบียนกันหรือไม่ค่ะสิ่งที่จะพูดนะ จะทําจะคิดก็ตามเนี่ยหลักกว้างๆที่พระเจ้าวางไว้ก็คือ1ไม่เบียดเบียนตนเอง <c oughs> 2องไม่เบียดเบียนผู้อื่น3เป็นประโยชน์ตน4เป็นประโยชน์ผู้อื่น <c oughs> ถ้าได้เต็มกรอบ4อย่างนี้ถือว่าดีที่สุดเป็นบุญเลยใช่มครัอ่า <c oughs> นี่เรียกว่าเป็นฝกักฝ่ายแห่งกุศล <c oughs> ถ้าไม่ได้ตามนี้ก็คือมันเริ่มมีอกุศลมากขึ้นมากขึ้ น, น <c oughs> ถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกับ <c oughs> ต้องวางตนเป็นผู้ส่งข่าวอันประเสริฐ ก็ต้องมีการพิจารณาซะก่อนจริงๆนี่นี่น่าจะเป็นธรรมะของนักข่าวนะอัตมาอยากให้ตรงนี้เป็นธรรมะของนักข่าวเลยว่าต้องมีการใกล้ควรพิจารณาและผู้ยจ้าเนี่ยจะใช้คําพูดคำเนี้ยซึ่งอัตมามองว่ามันเป็นคําพูดที่ไพเราะนะท่านบอกว่าให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยพิสดารก็คือโดยละเอียดนั่นเองถ้าไม่มีใครถามอย่าไปกล่าวถึงความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนี่ลักษณะของสัตบุรุษ แต่เมื่อมีใครถามถึงความไม่ดีของคนอื่นก็พยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนนะไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่นโดยละเอียดนะให้รู้เธอว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคนดีนะแต่สัตบุรุษก็จะทำตรงกันข้ามนะที่นี้ <c oughs> ความจริงเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าบางทีเราก็อยากรู้ว่าแล้วเราทำนี้แล้เราได้อะไรล่ะมหมายถึงว่า ถ้าเราจะทำตัวเป็นสัตว์บุรุษเนี่ยเราได้อะไรเราได้บุญไหมถ้าเราทําตรงข้ามบาปไหมบาปอย่างไรค่ะอ๋ อ, อ, อบุญของเราได้แน่ๆคือจิตไม่เป็นอกุศลจิตสงบสบายะนะแล้วก็สังคมดีไหมดีสังคมโดยรวมก็สงบน ะ, ะการแก้ปัญหาก็เป็นไปตามระบบตามการลองที่สังคมกําหนดไว้ใช่ไห ม, มหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็ลองมา ใช้วิธีแก้ที่พระเจ้าวางไว้ะที่เรียกว่าสมมุคหาวินยัยสติวินยัยอมูลหาวิไนยัยพุยัสสิกาตัดสปปาปิยัสสิกาติโนมัถานะโกติ mm hmm. ika, a, ika, ข้อสุดท้ายนี่น่าสนใจติโนมัถานะโกติระเบียบดังกลบไว้ด้วยยาก็คือการประนีประนอมถ้าปัญหาทุกปัญหาแก้ไม่ได้จริงๆถึงหนทางตันพระเจ้าบอกประนีประนอมหยุดไว้ก่อน <Okay. S 1> อหยุดปัญหาไว้ก่อนถามว่ามีใครใช้ภูมิปัญญาของพระเจ้าบ้าง mm hmm. น่าใช้มากเลย ใช่กสำหรับสังคมปัจจุบันด้วยนะคะก็มาต้องหาตรงกลางทุกทุกสังคมเลยอาตมาว่าควรจะหยิบปูมิปัญญาของผู้ที่รู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องเอาไปใช้นะพูดถึงอย่างนี้ก็เท่ากับว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะคะพระุทธเจ้าระยะเนี้สมมุติว่าทางพระได้ช่วยกันออกมานําเสนอข้อธรรม ที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์เนี่ยก็น่าที่จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยในการที่จะไปทําให้สังคมมันดูไม่ตึงเครียดเพราะว่าอย่างนักจิตวิทยาเนี่ยค่ะอ่านหนังสือได้พบว่าคนมีความเครียดเยอะนะคะโดยเฉพาะเอายกแค่เรื่องเดียวก่อนนะคะเรื่องการเมืองเนี่ยจนกระทั่งนักจิตวิทยานแนะนําบอกว่าถ้าเครียดเพราะการเมืองเนื่องจากว่าข่าวเน้นําเสนอร้อยเปอร์เซ็นเป็นเรื่องการเมืองที่ชวนให้เครียดเนี่ยก็ให้เลิก รับข้อมูลข่าวสารแต่ทีนั้นมันเลิกยาก ม, มันเลิกยากนะครับเพราะว่าตอนดึกเนี่ยค่ะก่อนนอนก็ยังมีมให้เราดูในช่องสามนี่แหละครบครัวเขา <c oughs> <c oughs> ดิฉันเป็นแฟนคุณเหมยอลิสลาแล้วก็รับได้แต่เราต้องวางอันนี้จังไงจ่งนี่ไงคือเราจะไปเชื่อเลยทีเดียวนะแม้แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าถ้ามีพิสุมาบอกว่าประกาศตนเองว่าเราเป็นพระรหัสรู้เจ้าบอกอย่าพึงเชื่อหรืออย่าพึงไม่เชื่อเห็นไหมวางเป็นกลาง ให้พิจารณาก่อนอย่างนี้แล้วอย่างนี้มันไม่เคลือบแคลงไปตลอดเลยเหรอคะว่าก็หาข้อสรุปไม่ได้ก็เชื่อไม่ได้ไม่เชื่อก็ไม่ได้ อ, อ, อ๋อพระเจ้ามีมีหลักเกณฑ์ตามธรรมไ้แล้วว่าจะตรวจสอบอย่างไรวันนั้นก็คือวางใจเป็นกลางๆแล้วก็ตรวจสอบโดยธรรมะก่อนอและอย่างกับเรื่องทางโลกนะคะเพราะว่าของเราในคาถามทางโลกแต่ใช้ธรรมะตอบเนี่ย น, นะคะอย่างกรณีที่ เป็นความวุ่นวายกันอยู่ในบ้านในเมืองสมมุติว่าเราบอกว่าอ่ะทางนน้นเขาว่ามาอย่างนี้เราอยา่าเพิ่งเชื่ อ, อ, อ, อ, อนะคะแล้วเราจะจะไปสรุปตรงไหนถึงจุดที่ว่าตรงเนี้ยเชื่อได้ละก็เราเรายังไม่สรุปอะไรแต่แต่ตรงนี้อาตมา ก, ก็ต้องบอกนี่แบบเพราะอาตมาที่วัดไม่ได้มีทีวีก็้ ไม่ได้มีนักสืบหรารขอประธานโทษกันเอาเรื่องลอกยุ่งยุ่งไปเข้าวัดกันไม่ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะรู้บ้างคนนั้นคนนี้มาเล่าให้ฟังก็พอจะตอบได้ตามที่รู้มานิดๆหน่อยหนะเรื่องของทางโลกแต่ก็ใช้หลักเกณฑ์ตามธรรมเนี่ยตอบไปนะเพราะฉนั้นก็ก็จะตอบโดยโดยหลักเกณฑ์ตามธรรมที่พระเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้ใช่ไหมอันไหนที่มันเหมาะสมมันอะไรก็เราหยิบเอาไปใช้กันเลยอย่างนี้ นั่นเมื่อกี้ว่ายังไงนะเอ่อเมื่อกี้ก็ว่าสรุปแล้วในเมื่อบอกว่าให้วางใจไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อซสิรทีเดียวสําหรับกรณีเรื่องเรื่องของบ้านเมืองเรื่องของความวุ่นวายนะนะคะแล้วถ้าใช้หลักพระพุทธเจ้าจัอเราจะสามารถเชื่อได้ตอนไหนตรงไหนอย่างไรอ๋อก็ค่อยๆพิจารณาเพราะอย่างเงี้นะคะต้องกลับเรียนท่านว่าคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าเราใช้หลักเกณฑ์นี้อ่าบอกหลักเกณฑ์เสียงข้างมากเสียงข้างมากตัดสินมาแล้ว ก็ยังไม่เป็นที่เชื่ออีกแล้วมันจะไปสิ้นสุดได้อย่างไรออค่ะคือทุกคนต้องต้องมีหลักยึดเดียวกันก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีความเคารพศรัทธาในสิ่งสิ่งเดียวกันมันก็จะยุติกันไม่ได้ทุกคนต้องถือตําราเดียวกันถือความเคารพเดียวกันมันถึงจะยุติได้ไงโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยถือพุทธวจนะคาพูดจากปากพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเราเป็นชาวพุทธเราบอกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราเคารพผูพ้เจ้าจริงหรือเปล่าเรามีศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าจริงจริงเรามาฟังผู้เจ้านะเพราะว่าที่อาตมาบอกเนี่ยมันจะเป็นพุทธพจน์นะเพราะแนวการสอนอาตมา ก, ก็คือเอาพุธทธวจนะออกมาเปิดเผยนะซึ่งอย่างที่โยมบอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเรามีเราควรจะเอาข้อธรรมมาสอนกันเยอะแยถามว่าข้อธรรมนั้นน่ะมันเป็นข้อธรรมที่ อ, ออกจากบาปผู้เจ้ า, าหรือเปล่าหรือเป็นข้อธรรมที่เป็นความเห็นของตัวเอง ซึ่งถ้าเป็นข้อธรรมที่เป็นความเห็นของตัวเองเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจมันไม่ถูกต้องเพราะความเห็นของระดับสาวกเนี่ยมีขีดจำกัดสาวกไม่สามารถจัดสรรคําพูดให้ถูกต้องทุกคําได้มีแต่ผู้เจ้าเท่านั้นที่จัดสรรคําพูดทุกคําไม่ผิดพลาดเลยเพราะผู้เจ้าในกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดแต่สาวกทําไม่ได้และผู้เจ้ามีความระมัดระวังในการแสดงธรรมเป็นอย่างยิ่งนั้นการแสดงธรรมของผู้เจ้าจริงถูกต้องที่สุด นะอันนี้คือขีดจํากัดของสาวกและความสามารถของผู้เจ้าค่ะคิดว่า <c oughs> ท่านผู้ฟังเนี่ยก็คงจะสนใจละเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะไปหาคําพระพุทธเจ้าที่จะเป็นของแท้เพื่อที่จะทําให้ได้ธรรมะที่ถูกต้องได้ที่ไหนอย่างไรดิฉันขอเอาไว้เป็นติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆนะคะจะบอกในวันถัดไป <c oughs> แต่สําหรับวันนี้เนี่ยจะขอสรุปในเรื่องที่ได้กลับเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับใช้ปัญญาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในยุคที่ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและส่วนใหญ่ทำให้เราเครียดได้อย่างไรท่านกา็ได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าเพิ่งเชื่อสัทีเดียวนะคะ ใ, ให้ใช้สติไตรตรองก่อนอแล้วก็ยังมีส่วนที่ท่านได้บอกว่าหน้าที่จะเป็นคุณธรรมของนักข่าวใช่หคะหว่าเมื่อรับอะไรมาแล้วก็ต้องพิจารณาในการที่จะถ่ายทอดออกไปว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นใช่คะถ้า ไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครแล้วก็ไม่ควรที่จะกล่าวออกไปเพราะจะทำให้มันเสียหายสังคม<ก>เดือดร้อนไม่สงบค่ ะ, คะก็นำมส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิง่งเดียฉันคิดว่าวันนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ยังไม่ไปสร้างบาป ให้กับคนอื่นด้วยการที่ไม่ได้ใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นแค่กระบอกเสียงถ่ายทอดไปเลยเหมือนเป็นท่ออะไรที่ไม่มีเครื่องกรองนะคะ เ, เมื่อสักครู่นี้ท่าอาจารย์คือคลิปได้พูดถึงว่าบังเอินที่วัดของท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากมายแบบพวกเรานะคะเพราะว่า วัดของท่านนั้นเป็นวัดป่าค่ะชื่อว่าวัดนาป่าพงนะคะเป็นสาขาของวัดในเครือของหลวงพ่อชาแล้วก็อยู่ที่ลําลูกกาคลองสิทธิ์ซึ่งไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่คือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะวัดป่านี่คุณสนสนีไปนิมนต์มาจากจังหวัดไกลๆป่าไหนไม่ใช่นะคะอยู่ใ ก, กล้ๆกรุงเทพเนี่ยดิฉันเองก็โชคดีที่ได้มาพบวัดนี้ในยามที่ชีวิตของตัวเองตอนนั้น ค่อนข้างว่างคือพอยุบสภาเสร็จระหว่างรอจะพิจารณาคดียุบ พ, พักไม่ยุบ พ, พักเนี่ยค่ะก็หาความสงบขับรถไปแล้วไปเจอแล้วก็มีความรู้สึกว่าถูกจริตแล้วก็ได้ทราบว่าท่านเนี่ยพยายามที่จะเผยแผ่พระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้านะคะคือธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ธรรมะเนี่ยคลาดเคลื่อนน้อยคือต้องบอกไม่คลาดเคลื่อน<ม>เหมือนกับที่ปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับกันนะนะคะท่านพระพุทธองค์เนี่ยได้ทรงสอน พวกเรามากว่า 2,500 ปีปนานมากนะคะดังนั้นเนี่ยบอกซ้อนต่อต่อกันมา <c oughs> เราเคยเล่นเกมใช่ไหมคะที่บอกข่าวบอกต่อต่อกันไปแค่ 3, 4คนเนี่ยข่าวกคลาดเคลื่อนมากแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะยึดอาพระพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ยังคิดว่าชาวพุทธเองน่าสนใจนะคะ